พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่13กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าเป็นหมาขาวกัดกั น, มนเมเนจะว่าเป็นภาษากลางนะ เป็นภาษาภูไทยก็เบาแล้วภาษาเล่าก็เบาแล้วบัดนี้เป็นที่บอกเป็นภาษากลางเพราะผู้ที่อยู่ภาคกลางก็มีที่มานั่งฟังวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อได้มาพบคณะชีสำนักชีคุณแม่ชีแก้วบ้านห้วยทรายแห่งนี้ วันนี้เป็นวันที่13กรกดาคมพุทธศักราช2559อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวันเข้าพรรษาวันนั้นหลวงพ่อได้มาคราวนี้ครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรกับขวงจะนู่นละสามเดือนข้างหน้ า, านั่นแะที่จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกถ้าหาว่าเห็นเสียจะมีภาระทุระ อ, ะอนาคตเราก็ยังไม่แน่นอน แต่คราวนี้แต่มาคราวนี้ก็ได้มาเพื่อมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านน้องสูงอาคารหออาคารเลี้ยงเด็กโรงอาหารสำหรับเด็กมัธยมมาสร้างให้เขาแล้วก็มามอบให้เขาวันนี้พอเสร็จแล้วก็ได้มาแวะกับครวะวัดของหลวงอาของหลวงปู่จาม กาบพระเจดีย์กาบพระาธาตุของท่านและกา บ, บรูปที่พระสทานเพิงสริละสังขารของท่านจากนั้นก็ได้มาขึ้นมาแสดงความคารวะในเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วของพวกเราจากนั้นก็ได้มานั่งกับเทนสมาคมของชีทั้งหมดจาบรรษา22รูปที่จะจาบรรษาปี59เแล้วก็ การมาอยู่ที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยที่หลวงพ่อได้มาพบมาเจอกันมาที่นี่ก็มาพูดหลายครั้งมาให้คำแนะนํำพอพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์มีหลวงตามหาบัวมีหลวงปู่จามมีพระเถระผู้ใหญ่แวะเวียนมาให้อวาดสำหรับชีแต่ต่อมานี่กูบาอาจารย์ก็ล่อยหลอลงไปเรื่อย แต่ตามไม่จริงภิกษุณีในครั้งพุทธกาลท่านจะให้ไปรับโอวาทจากพระภิกษุทุกสิวันเรื่ออย่างลักษณะอย่างนั้นละ่ะคล้ายๆไม่ให้ห่างเหินคล้ายๆได้ฟังโอวาทอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับวินยัยเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับกฎระเบียบาการเป็นอยู่ภิกษุณีในยุคสมัยนั้นแต่มาถึงยุคนี้ก็คือ ไม่มีแล้วพิกษุนีมีแต่แม่ชีแกับพระกาแสดงว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาแอภิกษุสา ม, มเณรอันนี้ก็คือพุทธบริษัทสีเพราะนั้นพวกเราจะห่างเหินหนีจากกันไม่ได้มีอะไรจะต้องปรึกษาปารบกันพูดกันในหลักธรรมคำสอนในกฎระเบียบในศีลาจารวัต ในการเป็นอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านนะที่เขามาเป็นนักพจนักบวชพวกเราไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยตนเองเราไม่ได้ทำมาค้าขายโดยตนเองเราอาศัยศรัทธาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำบุญทำทานเราไม่ได้ไปค้าไปขายไม่ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเราเป็นชีวิตนักพจนักบวชประพฤติธปฏิบัติธรรมเพราะนั้น การเป็นอยู่ของเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาไม่ว่าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่ อ, อเหมือนกันเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านถ้าว่าพระสงฆ์ทำตัวไม่ดีไปไม่เป็นที่ยอมรับไม่ศรัทธาชาวบ้านไม่ศรัทธาพวกเราคิดดูสิถ้าชาวบ้านไม่ศรัทธาเขาจะใส่บาตรให้กินไหมให้ฉันไหมเขาก็ไม่ใส่บาตรให้ฉันพระก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาการที่ไม่มีศรัทธาของ ของเขานั้นเพราะอะไรถ้าพระมองแต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธามองแต่เขานะไม่มองตนเองแล้วเป็นยังไงมองแต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะตัวเองทำตัวไม่ดีตัวทำเองทำตัวไม่ให้เขาเกิดศรัทธาแล้วเขาจะเกิดศรัทธาได้อย่างไรเพราะตัวเองทำตัวไม่ดีทำตัวเกเรทำตัวเป็นนักเลง ทำตัวผิดธรรมวินัยไม่มีสีรายจรวัตไม่มีฮิริอตตะปะเป็นพระอารัชีเป็นพระไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความเคารพผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่เคารพในสีรายจรวัตถ้าเป็นพระอย่างนั้นเขาก็จะเกิดจัตทาได้ยังไงเขาก็ไม่ใส่บาตรทำให้ไม่ใส่บาตรพระก็จะอยู่ได้อย่างไรอันนี้ชีก็เหมือนกันนั่นแหละ เราก็ไม่ได้ทำมาค้าขายการอยู่ด้วยกันเพื่ออาศัยศรัทธาของพี่น้องประชาชนกูบ า, าจา์ที่มาเห็นเออชีถึงจะเป็นผู้หญิงเขาก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาหน้าเคารพเรื่มใสถ้าเราทำบุญกับเขาเหล่านี้เพราะว่าเราทำ เ, เขาเหล่านี้ก็เป็นผู้อยู่ปฏิบัติเขาเสียสละหมดทุกอย่าง ไม่มีครอบครัวไม่มีการทํามาค้าขายพวกเราก็ทํามาค้าขายพวกเราควรจะทําบุญกับผู้ทรงศีลอย่างนี้หละจึงจะได้บุญจากนั้นเราก็ไปทําบุญให้กับสํานักชีอย่างที่หลวงพ่อไปเมื่อวานวันก่อนไปเห็นสํานักชีอยู่ที่ตีนเขาภูเขียวนะหลวงพ่อก็ได้ไปเห็นเออหน้าออนับถือหน้าเห็นใจเพราะว่าเป็นแม่ชีเป็นผู้หญิง อย่างมาอดสามาอยู่ในปา่าอย่างนี้ไม่ได้พึ่งพาอาศัยพระอีกต่างหากอาศัยชาวบ้านถ้าเขาชาวบ้านเขาไม่ศรัทธาเนี่ยชยีเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไงเพราะไม่ได้บินทบาทอีกต่างหากเนี่ยแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็ได้มอบปัจจัยให้เพื่อให้เป็นค่าอาหารเนาะค่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะหลวงพ่อก็ได้มอบให้อันนี้ก็คือมันเกิดศรัทธา เรพราะอะไเพราะไปเห็นและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันในสํานักชีคุณแม่ชีแก้วแห่งนี้ก็เหมือนกันคุณแม่ชีแก้วท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรพวกเราได้ศึกษาไหมถามยายนงก็ได้ยาแยงก็ได้หรือยายคิดดูก็ได้ใครก็ได้ที่เข้ามาปนิบัติของคุณแม่ชีแก้วแต่สมัยท่านยังหนุ่มท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านเดินอย่างกรมท่านภาวนา ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่ด้วยความเงียบสงบท่านไม่ชอบที่จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันหรือว่าการพูดชาพาทีกิริยามารยาทที่มันไม่ดีเนี่ยคุณแม่จะไม่ไม่ทำเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกิจศัพท์ชื่อเสียงของคุณแม่จึงดังไปทั่วโลกดังไปทั่วประเทศแล้วยังมาแล้วดังไปทั่วโลกอีกต่างหากประวัติของคุณแม่ชี้แก้วเดี๋ยนี้ดังดังไปทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหากนะ แล้วก็เนี่ยนะท่านทํำยังไงท่านทําตัวยังไงแตท่านจึงดังอย่างนั้นท่านจึงมีให้คนคนทั้งหลายจึงเคารพนับถือท่านขนาดนั้นพวกเราคงคงจะมองเห็นว่าคุณแม่ปฏิบัติตนอย่างไรเพราะฉนั้นพวกเราในฐานะสิทธ์ที่อยู่ในสำนักของคุณแม่ชีแก้วแห่งนี้เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งจะให้เคารพเป็นที่เคารพของชาวบ้านเขาไม่ใช่ว่า ตัวเองเป็นแม่ชีรักษาศีลแปดคนไม่มีศีลมาสอนแม่ชีมันน่าอับอายขนาดไหนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายนะที่อยู่ด้วยกันนะให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะสิ่งควรไม่ควรรู้อะรู้ไหมเราใหญ่ขนาดนี้เรารู้ไหมดีกับชั่วที่จะทำความชั่วจะทำจะทำตัวไปตกนรกนะ่รู้ไหมถ้าหากว่าตัวเองไม่รู้ อแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่เป็นแม่ชีนะจะทําให้เสียสํานักชีข อ, ของของคุณแม่ชีแก้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะที่พูดทางนี้ทางนั้นนะ่ะให้ตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําไปแล้วเสียสํานักชีอมันไม่ใช่เสียต่อเราคนเดียวนะเราเสียไปแล้วขอไม่รู้จักหรอกไอ้ยายนั้นอียายนี่เขาไม่รู้จักนะอะแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วมันเสียเสียสํานักเป็นแม่ชีของแม่ชีแก้ว ท ำ, ทำไมนทำไมทำตัวไม่ดีฮะอย่างนี้แหละให้พวกเราทุกๆคนนะที่มาบวชในชํานักสีต้องสำรวมกายว่าจะให้เรียบร้อยคาว่าเรียบร้อยรู้ไหมเรียบร้อยเอออย่าไปถกอย่าไปเสียงอย่าไปด่ากันอย่าไปแสดงอากับกิริยาให้ชาวบ้านเขาเห็นเพราะชาวบ้านเขาเห็นแล้วไม่มีศรัทธาเขาหมดศรัทธาไม่ชี้อดเหมือนกันนะท่ก็ไปหาขอจากพระ เผื่อพระก็หมดศรัทธาอีกสิแล้วพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านเป็นด้วยเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะพูดทางนี้ทางนั้นอันนี้คือการเป็นอยู่คือศีลายจารวัคคือศิลป์พี่แม่ษีไม่มีศิลไม่มีศิลป์ก็ไม่ดูไม่ดีพระไม่มีศิลปก็อยู่ไม่ดีดูไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้สํารวม กายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรจากนั้นก็ให้ภาวนาของใครของเราถ้าคนภาวนานะจะไม่มีเรื่องราวพอมันสํารวงกายวาจาของตนเองอยู่แล้วถ้าหาว่าพวกเราไม่ภาวนานะมีแต่สงจิตสงใจออกข้างนอกข้าดาเปรียบข้าเสียเปรียบข้าจนกว่าเพื่อนข้า คนดูถูกเหยียดยามข า, ามีแต่มีแต่จะห้ำหั่นเขามีแต่ดูถูกเหยียดสามเหยียดยามคนอื่นเขานี่แหละทีนี้กิตแจมันสงนอกนะมันคลอนกลยจะนีะนอ่อารวาสคนอื่นเขาคนอื่นก็อยู่ด้วยความลำบากนี่แหละการอยู่ด้วยกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทว่ า, เ, าเสนาสนะสัพปายะเสนนาสนะเป็นที่สบายก็คือ อยู่ต่างคนต่างอยู่ในในความสงบ เ, เป็นที่พักพายอาศัยได้สบายเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่มุงที่บางที่ดีอันนี้ว่าเซนาสนะัส ป, ปายะอุตุสั ป, ปายะไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป อ, อ, อยู่แบบสบายๆฝนก็ไม่ตกมากจนเกินไปแล้วไม่แห้งแล้งจนเกินไป อ, อ, อันนี้เราว่าอุตุส ป, ปายะอากาศเป็นที่สบายอาหารสั ป, ปายะ อาหารเป็นที่สบายก็คือค อ, อาหารไม่ถึงกับฟืดเครืองนักไม่ถึงกับฟุ่งเฟือยไม่ถึงกับมากมาย เ, เรื่องอาหารแต่พออยู่พอเป็นพอไปให้ได้พอได้ทานอาหารแล้วก็ตั้งอกตั้งใจระเพื่อปฏิบัติธรรม เ, เป็นผู้สำรวมกายวาจาใจได้ไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารอันนี้ว่าอาหารสปายะปุขคระสปายะบุคคลเป็นที่สบายคือการอยู่ด้วยกัน ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะของเราอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาปลาณีกันมีอะไรกับปรึกษาการเหมือนกับพี่น้องครูบาอาจารย์กับเหมือนพ่อเหมือนแม่พวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานเข้ามาแล้วก็ศึกษาการมีอะไรกับปรึกษาปารบกันเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันอันนี้ว่าบุกปุกอ่าบุคคลาสปายะบุคคลเป็นที่สบาย อยู่ด้วยกันมากก็พึ่งพาอาศัยได้ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พึ่งพาอาศัยกันได้ เ, เวลามีปัญหาอะไรก็พึ่งพิงอิงอาศัยกันกลางค่ากลางคืนมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เรียกร้องหากันได้ด้วยความ เ, าเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศานายาตเป็นสหธรร ม, มิกเป็นเพื่อนเป็นฝูงกัน เ, เพื่อเราจะภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์อันนี้เราปุขะระสัพพยะ บุคคลเป็นที่สบายถ้าบุคคลไม่เป็นที่สบายนะ่ะคนนั้นโกดคนนี้คนนึงมีพักมีพวกและกระดาคนนี้คนนี้ด่าคนนั้ น, น, น, น, น, นแล้วเวลาภาวนาล่ะเาภาวนากระดิ่งไปหาคนที่เป็นเรื่องเล่านะจะภาวนาจิตจะสงบได้อย่างไรเพราะบุคคละไม่สัปปายะนะ่ะก็มีทางเดียวเท่านั้นแหะอัปเปหินะพวกเราไปชมกันถ้าคนไหนไม่ดีไม่เป็นที่สบาย น, ะนั่นแหละอบอกให้หนีจากวัด ไม่ควรจะอยู่แล้วก็ถ้าไม่หนีทํายังไงเนี่นี่แหละเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาแล้วเอาเจ้าอาวาสมาเจ้าคณะอําเภอตําบลมาเอา่อผลสุดเอาตํารวจมาฮะมันมีขั้นตอนนะลูกหลานนะคณะตถาทาญาตโยนะชีนะให้พวกเราฟังเอาไว้คนไม่ดีจะอยู่ด้วยกับคนดีไม่ได้มันเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันขนาดกิดเลสอยู่ในใจของเราเพราะพระไตรเจ้ายังไม่อยู่กับใจใช่ไหมมันกัด เออเหมือนกันสนิมเนียมันกัดเหล็กเนี่ยเขาต้องสกัดสนิมออกจากเหล็กนะนี้ก็เหมือนกันนั่นหละคนที่ไม่ดีแล้วจะอยู่ในกบคนดีได้ยังไงมันก็ต้องเอาออกอย่างอสรพิษมันอยู่ในวัดเราเราก็ต้องจับมันออกเพราะยังไงกลัวมันจะกัดคนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนไม่ดีเราจะเอาไว้ในวัดก็ไม่ได้เอมันจะกัดหมูกัดคณะทาให้หมูจุ้งเยิงวุ่นวายนะ เพราะนั้นสีงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะให้พวกเราสังเกตนะค่าใครไม่ดีปรับปรุงแก้ไขตัวเองสให้เป็นคนดีแล้วก็จบไม่มีปัญหานะถ้าว่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นแหล ะ, ะจะต้องเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนคนอื่นนะเดือดร้อนตนเองนั่นแห อ, อย่างทาคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตังทุกตั ง, กกตงเสยโยปัชาตปติทุ ก, กตังคิดชั่วทาชั่ว พูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วออกไปแล้วกรรมชั่วตอนนั้นให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนั่นแหละถ้าใครทํากรรมชั่วนะไม่ใช่คนอื่นนะตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะเพระาะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะให้ตั อ, อกตั้งใจภาวนาที่หลวงพ่อมาวันนี้ในคราวนี้นะแต่ละครั้งนะหลวงพ่อก็เห็นว่าพวกเราเป็นแม่ชี มีอติเลกกลาบน้อยอยู่ด้วยกันเหมาะเหมาะแม่แมนะ่หลงพ่อมาทีไรลุลงพ่ออ้าวปัดใจให้เ อ, เอาไปใช้เนอะลูกหลานเนอะให้เกิดประโยชน์ให้ได้ให้ได้ บ, ดบเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญานะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเนอะตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างอย่างที่คุณแม่ของเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวคุณแม่มิมตรสอนให้พวกเราทำคุณงามความดีในวา ธะาของคุณแม่ในทำมลิกิจของคุณแม่ที่คุณแม่พูดไว้ท่านแม่ว่าโลกนี่โลกหาได้ไม่ใช่เหรอโลกนี่โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้เพระโลกนี่มันโลกหาได้เพราะฉนั้นเราจะหาอันไหนเราไม่ควรจะหาสิ่งที่มันชั่วหาสิ่งที่มันดีหาสีหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่มันไม่ดี อย่าหาเข้ามาใส่ตัวเองถ้าหาเข้ามาใส่ตัวเองเราเดือดร้อนนะหลวงปู่จามท่านก็บอกว่ า, าใครจะทำชั่วก็ทำไปเถอะนรกยังไม่เต็มใครจะทำใครจะสร้างคุณงามความดีก็สร้างไปเถอะสวรรค์ยังไม่เต็มแปลว่านารกกับสวรรค์ยังพ่องอยู่สำหรับรับคนชั่วก็รับคนดีแต่หลวงปู่ล่าท่านบอกว่าใจของเรานะะั่นแะเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาป ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ไหลไหลเข้ามาสู่ใจของเราถ้าเราทำกรรมดีบุญกุศลกรร็ไหลเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราเป็นคนรับกรรมดีและกรรมชั่วเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วเราอยากขนเข้ามาใส่ใจของเราอเอาออกเอาแต่คุณงามความดีเอาแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะในพรรษานสามเดือนใครจะภาวนายังไง อแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นเนเนี่ยหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานเนะ่ยเข้าไปเจ้าฉันอาหารแล้วเข้าไปเจ้าจะเดินจงกรมจนได้ยินเสียงกองเพลิตึงตึงเมื่อไรก็ยังค่อยออกจากเดินจงกรมนอ่นั่นแหละพอนายรอฉันจังอาหารเสร็จล้างบาทเสร็จแล้วขึ้นไปกุฏิเสร็จแล้วก็เดินจงกรมะเดินเดินเดินโอ้บางทีก็หลายชั่วโมงกันนะจบก่อนเขาจะตีเพลตึงแล้วออกมาฮนี่แหละ อันนี้ก็คือการความทำความเพียรของพวกเร า, เาพระจักคุบานเอาอริยาบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนในไตรามาสสามเดือนอดนอนตรตอไตรามาสสานข้าพเจ้าจะไม่นอนเด็ดขาดาท่านก็ภาวนาจนท่านได้สาเร็จมักสำเร็จผลนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างอาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราไม่ถึงเอาขนาดนั้นก็เถอะในพรรษานข้าพเจ้าจะนั่ง ภาวนาสักวันละหนึ่งชั่วโมงกลางคืนคืนละหชั่วโมงแล้วคืนละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงและสุดแท้แต่นะอันนี้ก็ให้พวกเรามีตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจหรือข้าพเจ้าจะภาวนาเนสชิทุกวันพระจะไม่นอนหรือว่าเนสชิสักสองวันหรือ3วันเดือนหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาเนสชิให้ได้สัก7จ็ดวัน เออแต่ไม่ใช่ตลอดวันนะไม่ใช่ต่อกันก็ได้แต่ให้ได้สักเจวันอย่างนี้เป็นต้นนะเออแล้วข้าพเจ้าจะงดอาหารทดลองเลยสิสำหรับคนหนุ่มข้าพเจ้าจะไม่ทานอาหารดูในสามเดือนเนี่ยจะงดทดลองอดอาหารดูแล้วก็ภาวนาเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นชีไม่ใช่บวชมาแล้วก็มาบวชเฉยๆเออมีแต่ได้แต่ผ้าขาว ได้แต่หัวร้อนเท่านั้น่ะเพอเผยยังเป็นหมาขาวกัดกันอีกต่างหากมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของแม่ชีไม่ใช่ผู้มาปฏิบัติธรรมนะให้พวกเราสำรวมกายวาจาใจของเรานะให้เป็นผู้ทรงศีล น, นะใครมาทำบุญกับเราเขาจะได้บุญกุศลกลับกลับไปไม่ใช่เขาได้สิ่งอักกุศลสิ่งที่มันไม่ดีกลับไปนะอันนี้พกหลวงพ่อพูด เตือนย้ำให้พวกเราทุกๆคนผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติในศีลในธรรมอย่างนั้นก็ให้ภาวนาอย่างที่คุณแม่สอนน่ะสายหลวงปู่มั่นท่านให้สอนในภาวนาพุทธโธเป็นหลักนะจุบหนอพองหนออะไรก็ตามมาอยู่มาอยู่ที่สำนักของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยคุณแม่ชีแก้วเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านได้อัดได้ทํามาบริกรรมพุทธโธเท่านั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโธ หลวงปู่หลวงตามหาบัวเข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นวันแรกที่ บ, บ้านโคกนามนตองขคบท่้นเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นพอถึงย่ำคำ่าค่ําคือกลางคืนใกล้ค่าพอไปถึงเดินไปหัทเข้าไปกราบหลวงปู่มัน่นท่านก็ถามมาจากไหนเพนี่เราสอบถามท่านเป็นมหาเออมหานอะท่านมหาเนอะทำนะและวินัยคำทคำคาสอนที่ท่านเรียนมาจนได้เป็นมหามหาป ร, ริญญาสามประโยคนะ ใทให้ท่านเก็บไว้ก่อนนะ อ, อย่าท่านอยากพึ่ง อ, ออกมาเพ่นพาน่านจะออกมาใช้นะตั้งนี้ตานนี้ต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าท่านจะศึกษาในทำคาสอนให้ท่านภาวนาพดโธหายใจเข้าพดหายใจออกโธเท่านั้นและขาเวลาเดินยองโกงกัขาขวาพดขาสายโธเท่านั้นใช่อย่าไปเอาอย่างอื่นนะถ้ามาท่านมาศึกษาในณะสถานที่แห่งนี้ เออต่อมาหลวงตามหาบัวท่านกับภาวนาจากนั้นก็ท่านก็นกดูดูจิตใจของเรามันเสื่อมบ่อยๆเอาแต่นี้ต่อไปเราจะภาวนาอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนเออจากนั้นท่านกับขาขวาพดขาซ้ายโธเออหายลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธเออท่านบอกว่าโอ้โหวันแรกเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานจะไม่ให้จิตเผล อ, อไปข้างนอกเนี่ยเออวันแรกเนี่โอ้โหเหมือนอกจะแตกเลยเมื่อที่สองที่สมเนี่ยหนักมากๆ เราพูดได้เลยว่างานทางนอกที่เราทํามานั่นสู้นั่งสู้กําหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาภาวนาไม่ได้อันนี้หนักจริงๆนะว่าอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวท่านพูดนะจากนั้นวันที่สีที่ห้าใจของท่านเข้าสู่ความสงบจิตใจของท่านเน่งท่านก็เลยประปปกาศขึ้นมาในใจของท่านเลยใจของเราไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากนั้นท่านก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธเนะีย จุดใจของท่านจนเป็นสมาธิขึ้นมาในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็เดินทางวิปัสน า, เ, าเดินทางวิปัสนาพิจารณาร่างกายสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารของเราในะร่างกายของเราไม่ไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งเห็นไหมยายแยงแยายนงสมัยก่อนยังคุณแม่ยังอยู่อุ้มคุณแม่ก็ได้ เ, เพราะเหน็นลายยังแข็งแรงแต่เดี๋ยวนี้ดูสิขนาดร่างกายตัวเองก็ยังเอาไม่ไหวซะแล้ว แต่อยู่นานไปสักเท่าไหรนี่แหละร่างกายมันมันแปรสภาพไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสํานักชีแห่งนี้จะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายจะจะเผาไปทิ้งอีกสักวันหนึ่งข้างหน้ า, เ, าเพราะฉะนั้นให้พวกเราภาวน า, าหาทางพ้นทุกข์อย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดแนวแถ ว, แาาแ ว, แถวคุณแม่ชีแก้วแนะนําสั่งสอนพวกเราให้พวกเราเป็นชีที่ดี มีคุณธรรมศีล ธ, ธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็หาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารผลในสุดก็ดวงตาจ ะ, จ, ะ จ, ะ จ, ะจะได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะการกล่าวในวันนี้ก็เหมือนกับพวกเราทะเลาะกันแต่ตามไม่จริงกลวงพ่อเป็นห่วงการอยู่ด้วยกันชี้อยู่ด้วยกันหลายๆคนเพราะมีประวัติ ตั้งแต่ดึกตาบันตั้งแต่ยาวนานมาแล้วหลวงพ่อได้ยินมันมีมมีเก่าแก่เพราะนั้นหลวงพ่อเขาไม่อยู่ในสำนักชีหรือว่ากลุ่มที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจึงแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราสารวมระวังการอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจา อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าเราไปอยู่คนเดียวมาภาวนาปฏิบัติมาคิดถึงบ้านมันนั่งง่อยเหงาเศร้าซึมทึกกินบ้ำบ้านออมันดีเหร อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นบ้าเพราะอะไรเพราะมันมันส่งจิตออกไปข้างนอกนะ อ, อ, อยู่คนเดียวให้ระวังมึงคิดไปทำไม่มันได้อะไรมันคิดมาจนพอแรงแนละ้วมันมีประโยชน์อะไรอย่าคิดนะใจนะ ให้อยู่กับพุโทโธเท่านั้น บ, บังคับนี่นแหละให้อยู่กับพุโทโธแล้วนะมีสติอยู่กับตนเองนะดีนะนี่นแหละอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาการพูดจาพาทีพูดออกไปไมันจะเสียหายนะอถ้าว่าเราไปอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไปอยู่กลางทุ่งนาไม่เห็นมองไม่เห็นใครเละเราจะด่าโกตรพ่อโคตรแม่เป็นยางไงเป็อนอย่างไรตาวิขโมงสงเสียง เสร็จแล้วก็กลับมาก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะอยู่คนเดียวใช่ไหมด่าไปเลยเออท่านอยู่ด้วยกันสองคนน่ยพอด่าขึ้นมาเอา้ามันด่าข้าหรือเปล่าเนี่ยมาพรานีทวรนี่ก็ขึ้นมาเนี่ยพรานี่ทัร์ทะเลาะกันอะไรสิเพราะรอะไรเพราะอยู่สองคน น, ะนี่นแหละเอออยู่อยู่กับมิตรกับเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาไม่ควรจะพูดก็อย่าไปพูดเอออย่าไปแสดงอากับกิริยาอะไรออกไปให้ระวังอ่าความคิดเออความพูดของตนเองนะนี่แหละ ให้พวกเราทุกๆคนนะชี้ทุกคนนะอยู่ด้วยกันนะบุคคะสัปปะยะเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญนะถ้าบุคคลไม่เป็นที่สบายและอยู่ด้วยกันภาวนาไม่ไปไม่มานะจะว่าจะว่าหลวงพ่อไม่บอกนะการกล่าววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเพียงเท่านี้นะ